ต่อนนี้ไปพึ่งพากันตั้งใจสำรวมใจของตนให้แน่วแน่อย่าส่งใจไปทางอื่นการส่งใจไปข้างนอกนั่นมันไม่มีประโยชน์อะไรนอกจากไม่มีประโยชน์แล้วก็มีโทษคือให้จิต เกาะคล้องอยู่ในโลกอันนี้หนีจากโลกอันนี้ไปไม่ได้แต่คนส่วนมากมันห่วงโลกอันนี้โดยเฉพาะก็คือห่วงร่างกายนี่เองเมื่อมันห่วงร่างกายนี่แล้วมันจึงห่วงภายนอกอันเป็นที่อยู่อาศัยของร่างกาย ดังนั้นเราต้องเพ่งพิจารณาให้ดีว่าการเกิดมามีรูปมีกายอันนี้มาแล้วนะมันเป็นยังไงมันเป็นของที่น่าอยู่จริงหรือเป็นหน้าที่ของเราทุกคนจะต้องพิจารณา ยิ่งโย่เมื่อสร้างบุญบา ร, รมียังไม่เต็มมันก็ต้องมาอาศัยขันห้านี่แหละก่อนอาศัยขันห้านี่สร้างบุญกุศลบา ร, รมีทําให้แก่กล้าขึ้นไปแต่ถ้าบคุคคลใดมาหลงสําคัญผิดคิดว่าขันหน้านี่เป็นตัวเป็นตนอยู่แล้วอย่างนี้เนี่ย ยากที่มันจะทำบุญกุศลทำกุณงามความดีได้มีแต่มันเพลิดเพลินลื่นลึงบันเทิงใจอยู่ในโลกนี้ตาได้เห็นรูปก็เอารูปสวยๆงามๆก็ยินดีพอใจถ้าเห็นรูปที่ร่ายก็เกลียดชังถ้าหูได้ยินเสียงไพเราะพ่อพิ่งก็ชอบใจ ถ้าได้ยินเสียงไม่ชอบใจก็เกลียดชังจมูกได้สูดกลิน่นที่หอมหวนก็ชอบใจถ้าได้สูดกลิ่นเหม็นก็เสียใจก็เกลียดลิ้นได้รับรสอาหารอร่อยก็ดีอกดีใจถ้าได้รับรสอาหารไม่อร่อยก็ไม่พอใจ กายได้สัมผัสถูกต้องเย็นร้อนอ่อนแข็งถ้าได้สัมผัสสิ่งที่อ่อนนุ่มนิ่มอก็ดีอกดีใจนอนก็นอนหลับไม่รู้จักตื่นคนยินดีในที่นอนพวกวูกเบาะเหมาะมอนอันอ่อนนุ่มนิ่มอเมื่อนอนไม่รู้จักตื่นแล้วก็ไม่ได้ทําความเพียรทางจิตใจ ใจได้รับรู้อารมณ์ทั้งห้านั้นแล้วก็มีความยินดีไปตามอารมณ์เหล่านั้นอารมณ์ที่น่ายินดียินร้ายไปตามอารมณ์ที่น่ายินร้ายนี่ถ้าจิตใจเป็นอยู่อย่างนี้แล้วก็จะหนีจากโลกนี้ไม่ได้เลย ก็จะได้มาทนทุกข์ทรมานอยู่ในโลกสนิวาตอันนี้แหละถ้าหากว่าทำดีก็ยังชั่วหน่อยละเว้นจากความชั่วได้ทำความดีได้ถึงแม่เกิดอีกก็ยังชั่วก็เกิดดีก็มีความสุขอยู่บ้างแต่ว่าบุคคลผู้ ไม่สำมรวมจิตอยู่ภายในไม่ยึดเอาบุญเอาคุณเป็นที่พึ่งแล้วไปเอากิเลสเป็นที่พึ่งแล้วกิเลสมันย่อมจูงใจให้ตกต่ำไปให้ป่าธนาลามกคือป่าธนาความชั่วเห็นจูงใจให้ไปฆ่าสัตว์ทรัพย์ประพฤติผิดในกาม กลามุอสาวว่าื่มสุราเมลัยกัญชายาผินเฮโรอีนหรือจงใจไปให้เพลิดเพลินในมหรสพคบกันต่างๆจูงใจให้ชอบเล่นการพนันขันต่อนี่นะความโลภความโกรธความหลงเมื่อสะสมให้มากขึ้นในใจแล้ว มันก็จูงใจให้ตกต่ำลงไปนี่เนี่ยทำบาปทำกรรมผู้ใดถ้าเชื่อพระปัญญาตรัสรูของพระพุทธเจ้าแล้วก็ต้องเห็นตามพระพุทธเจ้าทงทรงตรัสว่าทำอย่างนั้นเป็นบาปก็ต้องเห็นตามอันบาปนั้นมันนำมาซึ่งความทุกข์เมื่อต้องการเมื่อตนไม่ต้องการความทุกข์มันก็ต้องเว้นจาก ความชั่วดังกล่าวมาแล้วนั่นมันจึงจะไม่มีทุกข์อันมันจึงจะไม่ได้ไปรับทุกข์อันยำยาบเช่นทุกข์ในนรกในเปรตเในอสุรกายในสัตว์ดิเรกชนอันนี้ท่านเรียกว่าทุกข์อย่างยาบทุกข์มากหมายความว่ า, างั้นเนี่ยหาความสุขสบายไม่ได้เหมือนอย่างสัตว์สิ่งดิเระฉานอย่างนี้นะ ไม่มีอิสระเสรีอะไรเลยเป็นทรัพยากรของมนุษย์สมัยแต่ก่อนก็ยังเลี้ยงไว้สำหรับใส่คาดใส่ไทยใส่ล่อใส่เกวียนบรรทุกสิ่งของทำได้ทำนาก็มาสมัยทุกวันนี้เครื่องยนต์กลไกลมาแทนแล้ว วันนี้ก็เอาไปขายเข้าโรงฆ่าสัตว์ให้เขาข่าเชือดเนื้อขายสู่กันกินถ้าไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานมันก็เป็นทุกข์อย่างนี้นะไม่มีอิสระเส ร, เรีแก่ตัวเองกฎห ม, มายก็ไม่ได้คุ้มครองคุ้มครองเป็นบางอย่าง เป็นอย่างว่าถ้าเป็นสัตว์ของนายโกนายขอจะมายื้อแย่งเอาไปซื้อไปขายหรือไปฆ่ากินนะไม่ได้อันนี้พอมีคุ้มครองอยู่ว่างแต่ว่าการฆ่านี่นะมันเป็นอำนวยการของประเทศไปเสียเลยอนุญาตให้ผู้ ประกอบอาชีพวะ น, นี่ทำได้เลยถ้าขออนุญาตแล้วไม่มีผิดอย่างงี้นะนี่แหละให้นึกพิจารณาให้ดีคนเรานะถ้าจิตชั่วแล้วมันลงเป็นสัตว์ราชานได้นะอย่าเข้าใจว่าจะไม่ได้ไปเกิดในกำเนิดสัตว์ร้านชานซึ่งเรามองเห็นด้วยตาหนังเนี่ยแต่พวกเปรตพวก กัตตรกอะไรโมนั้นเรามองไปเห็นด้วยตาแต่เราก็ต้องเชื่อพระปัญญาตรัสรู้ของอุปเทเจ้าถ้าว่าไม่เชื่อพระปัญญาตรัสรู้ของอุปเทเจ้าแล้วมันก็ละเว้นไม่ได้แหละเพราะคนเราเกิดมาแลต้องกินกินกินเลือกกินเนื้อของสัตว์อื่นเป็นอาหารมาแท่ เล็กแต่น้อยนูน่นแต่ว่าผู้มีปัญญาเขาหากหลีกเว้นจากการทำลายชีวิตของสัตว์นั้นหาทำมาหาเลี่ยงชีพยอย่างอื่นได้เงินได้ทองแล้วก็ไปหาซื้อเอาเนื้อเอาปลาที่สำเร็จรูปที่ไม่มีชีวิตแล้วนั้น มาทำอาหารบริโภคอย่างนี้ก็ไม่เป็นบาปเป็นกรรมอะไรแต่อย่าไปสั่งให้เขาค่ามาให้ถ้าไปสั่งให้เขาค่าให้แล้วนั้นเป็นเป็นบาปด้วยคนค่าก็เป็นบาปผู้สั่งก็เป็นบาปในผู้มีปัญญานะ้่มันควรจะพิจารณาผู้รักตนจำานงหมายต่อความสุข ความเจริญแก่ตนแล้วก็ไม่ควรที่จะไปล่วงละเมิดพุทธบัญญัติที่พระพุทธเจ้าทรงห้ามไว้แม้เป็นภิกษุสามเณรก็เหมือนกันนะ เ, เรื่องสินห้านี่ย่อมรักษากันทุกรูปเลยจะเป็นนักบวชก็ตามกระเรืองหัดก็ตามแต่ว่านักบวชนี่เพิ่มสิน เข้าไปอีกสามัญเนนก็เพิ่มเข้าไปห้าข้อรวมเป็นสิบพระภิกษุก็มีหลายข้อรวมแล้วทั้งสองร้อยยี่สิบเจดข้อแลวก็มีอาบัตนอกพระปฏิโมก์เข้าไปนอกนั้นก็ยังมีอยู่อีกทั้งนี้เพราะอะไรเพราะองค์เจ้าจึงบัญญัติข้อห้ามห้ามความประพฤต ของพิษุทางกายทางวาจามากมายกายกองอย่างนี้อันนี้ก่อนหนะ้าเราต้องคิดเราเป็นนักบวชที่พระองค์เจ้าทรงบัญญัติมากมายอย่างนี้ก็เพราะว่าพระภิกษุสามเณร น, นี่เนะ่เป็นอุดมมาเพศเป็นเพศอันอุดมเว้นจากบ้านเรือน เว้นจากการค้าการขายการทำนาทำสวนการหาเงินหาทองต่างๆหาล่าพายุมุนี้เว้นแล้วพระจริงได้มาบวชในวัตราศาสนานี้ชาวโลกผู้นับถือพุทธศาสนานั้นเขาย่อมนับถือพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐในโลก นับถือพระธรรมคำสอนของพระเจ้าคือศีลสมาธิปัญญาหรือทานศีลภาวนาพยายามปฏิบัติตามนับถือพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีผู้มีกายวาจาใจสงบระงับจากบาปจากโทษนั่นนั่น แต่โทษที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติท่ามไว้มีใจสงบจากนิวรณห้าคือสงบจากความรักสงบจากความชังความพยาบาทจองเวีนผู้อื่นสงบจากความง่วงเหงาหาวนอนสงบจากความฟุ้งซ่าน ร, รำคาญของจิต สงบจากความสงสัยรังเลเรื่องบาปบุญคุณโทษประโยชน์หรือไม่ใช่ประโยชน์หรือโลกงนี่โลกหน้ามีหรือไม่หนออะไรมุนี้นะสวรรค์ น, นิพพานนรกมีหรือไม่หนอะมุนี้ไอผู้เจริญสมาธิภาวนานี่จะต้องพิจารณาจนให้ไม่สงสัยเลยจนได้รู้ว่ามีจริงตามที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้ถึงแม้ว่าตนไม่ รู้ไม่เห็นด้วยปัญญาตาใจต้นก็ต้องเชื่อเพราะปัญญาตัดสรู้ของพระพุทธเจ้าถ้าไม่เชื่อแล้วก็ชื่อว่าไม่ใช่สาวกของพระพุทธเจ้านี่พระสง์เมื่อปฏิบัติตามคำสอนพระพุทธเจ้าอย่างนี้แล้วย่อมมีความสงบกายสงบวาจาสงบใจจากบาปธรรมกรรมมันชั่วต่างๆ จากกิเลสน้อยใหญ่ต่างๆเท่าที่กำลังสติปัญญาจะพึ่งละได้ผู้ละกิเลสหยับหยาบได้อย่างนี้มันก็ย่อมมีความระพฤต ท, ทางกายวาจารียบร้อยอย่างนั้นเพราะวินัยทุกสิกขาบททุกข้อนะลองสังเกตดูล้วนแต่ ห้ามไม่ให้ประพฤติความประพฤติทางกายวาจาอันหยาบคายห้ามไม่ให้พูดวาจาอันหยาบคายอันเป็นการทำบุคคลผู้อื่นให้เดือดร้อนไม่พออกพอใจต่างๆเมื่อนี้นะลองสังเกตดูสิขาบทวิในต่างๆนั้นนะ่ะท่านบรญญัติเป็นหมวดเป็นหมวด เราจะรู้ได้ว่าล้วนแต่บรญญัติห้ามความประพฤติอันไม่ดีไม่งามอันจะนำมาซึ่งความเสื่อมเสียแก่ตัวเองและผู้อื่นถ้าหากว่าไม่สํารวมตามพระพุทธวัญญาินั่นแล้วราคะโทสะโมหะอันอย่างหยาบคายก็บังเกิดขึ้นในจิต ก็ประพฤติพรหมจรรย์ไปไม่ตลอดถ้าขืนอยู่ไปก็ทำชั่วอ่าเป็นงานเรื่องมานะดังนั้นท่านผู้ใดเป็นผู้สำรวมในวินัยนี้ได้ด้วยดีตั้งอยู่ในความสงบจากบาปจากโทษดังกล่าวมาแล้วนั้นมีกายวาจาใจอันสุภาพเรียบร้อยประชาชนเห็นเข้าเขาก็ยินดีเลื่อมใสอ่ อีกอย่างหนึ่งเป็นนักบวชนี่นะกอ็อย่างว่าถ้าบรรเทาราคะโทสะโมหะลงได้เช่นนี้นะถ้าได้รับความนินทาว่ า, าร้ายกระทบกระทั่งจากคนอื่นจะเป็นนักบวชเหมือนกันก็ตามเป็นครือข่าก็ตามมันก็สงบอดทนได้ไม่หวั่นไหวไม่ตอบโต้ เพราะว่ารู้ดีอยู่แล้วว่านั้นเป็นความชั่วที่เขาแสดงออกมาทางกายทางวาจาไม่ใช่ความดีที่เราจะพึ่งรับเอามาไว้เป็นที่พึ่งของตนหาไม่ได้ถ้ารับเอาความชั่วของผู้อื่นเข้ามาไว้ในใจความชั่วนั้นมันก็มาเผาจิตใจให้เป็นทุกข์เดือดร้อนเป็นอย่างนั้น ผู้ภาวนาทําใจเป็นสมาธิตั้งมั่นลงดูดีแล้วก็ย่อมรู้ย่อยมรู้ความชั่วว่าเป็นอย่างไรอย่างนี้นะเมื่อคนอื่นเขาแสดงออกก็รู้เมื่อรู้แล้วก็ไม่ยึดถือเอาไว้ยอมอดทนอดกลั้นแม้ว่าจิตใจมันจะวันไหวไปบ้างเมื่อเราตั้งความอดความทนลงแล้ว จิตใจนะมันก็ไม่หวันไหวไปมากมันก็ระงับรงไปมันก็ตั้งมั่นลงอยู่ในกุศลธรรมเอเลือ่อยไปไม่ไปตั้งมั่นอยู่ในอกุศลธรรมพิกสธสัมเนนเช่นนี้แหละจึงทําให้ทายกทายิกาผู้ครองเรือนทั้งหลาย เขาเริ่มใสนับถือแล้วเขาก็เชื่อถ้อยฟังทำถ้าเขาเคารพนับถือแล้วเราสั่งสอนให้เขาละความชั่วเขาก็พยายามละตามเราสั่งสอนให้เขาทำความดีมีให้ทานเป็นต้นเขาก็ทำตามอ เท่าที่เขาจะทำได้ถ้าเขาไม่เชื่อไม่เลื่อมใสแล้วแม้จะไปสอนเขาเขาไม่เอาเลยเขาไม่ทำตามเลยเพราะว่าการนับถือพุธทธศาสนานี่บังคับกันไม่ได้เลยไม่มีกฎหมายไม่มีกฎข้อบังคับอย่างนี้เลยในพุธทธศาสนานี้ สุดแล้วแต่ใครมีปัญญาจะมองเห็นคําสอนของพระพุทธเจ้านี้ว่าเป็นนิยานิกระทัมนําผู้บวชปฏิบัติตามให้พ้นทุกข์พ้นทาพ้นภัยไปได้จริงผู้ใดมองเห็นได้อย่างนี้แล้วผู้นั้นก็นับถือพอใจเต็มที่เลยเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะดังนั้นนะ่ะเราจึงมีการแนะนําสั่งสอนกันบ่อย เพื่อให้เข้าใจเหตุผลแห่งคำสอนของพระพุทธเจ้าโดยแจมแจ้งดังกล่าวมาแล้วนั้นนะหมายก็ว่าให้เข้าใจว่าผู้ใดนับถือปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้านี่ย่อมไม่เสียเวลาไปเปล่าๆหมายความว่างั้นย่อมมีผลทำให้กิเลสบาปธรรมอันหนานแน่นอยู่ในจิตใจใ น, น้อยเบาบางเข้าไปโดยลำดับ แอย่างนั้นเพราะฉะนั้นทุกคนจึงไม่ควรปฏิเสธในคำสอนของพระพุทธเจ้าทันทีเลยว่าเออคำสอนนี่ทำได้ยากปฏิบัติได้ยากคนปุถุชนอย่างเรานี่มันปฏิบัติตามไม่ได้เรกมักจะได้ยินอยู่บ่อยๆเรื่องมันนะผู้ดใดพูดออกมาเช่นนี้แสดงว่า มีความคิดเห็นมองดูตัวของตัวนี้ว่าเป็นคนต่ำต้อยไม่สามารถที่จะปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ยอมตกเป็นทาสของกิเลสตัณหา น, านานาประการเมื่อเป็นเช่นนี้แล้ว<ม>ก็ลองคิดดูให้ดีทำความชั่วใส่ตัวเองไป ความชั่วนั้นมันก็ติดสอยห้อยตามอาอมนวยผลให้เป็นทุกข์แล้วก็จะมีประโยชน์อะไรล่ะการที่ประพฤติตามอำนาจของกิเลสตัณหานั่นนะลองคิดดูให้ดีการที่ประพฤติตามคำสองพุทธเจ้านี่ถึงแม้มันจะยากอย่างนี้เราอยากพ้นทุกข์นี่เราก็ต่อสู้กับกิเลสตัณหาภายในหัวใจของตัวเองไม่ไปตามมัน เอเราจะโน้มใจไปตามคําสอนพุทธเจ้านี่แหลจะปฏิบัติตามคําสอนพระองค์สอนว่าสิ่งนี้ควรละเราจะตั้งใจพยายามละมันมันจะยากลําบากในก็จะไม่ถอยจะพยายามละมันเอาจนละได้นั่นแหละละมันไม่ได้ชาตินี้ตายไปชาติหน้าก็ขอให้ได้ภาครีมพยายามละกิเลสอันนี้ต่อไปถ้าผูใ้ใด ตั้งใจลงอย่างนี้อธิษฐานใจลงอย่างนี้แล้วมันก็เป็นอุปนิสัยปัจจัยอันสําคัญติดตามไปเบื้องหน้าต่อไปหากว่าผ่าเพี้ยนไม่ยามในชาตินี้มันลากไปเลยให้หมดสิ้นไปไม่ได้ละได้เป็นบางสิ่งบา ง, างอย่างอย่างนี้นะต่อไปชาติหน้าต่อไปมันก็ความตั้งอกตั้งใจแต่ชาติปัจจุบันนี้ก็เป็น กุศลกรรมติดตามไปตกตักเตือนจิตใจให้เห็นโทษแห่งบาปแห่งความชั่วนั้นนั้นได้พบพุทธศาสนาอีกได้ฟังคำสอนแล้วก็สามารถละได้ละกิเลสที่ยังละไม่ได้นั้นให้เบาบางออกไปโดยลำดับเหมือนคาว่าเมื่อสั่งสมบุญกุศลได้มากขึ้นเท่าใด ยี่เลที่มันก็เบาบางไปได้เท่านั้นแหละอมันเป็นงานเลี้ยงมันนะเหมือนอย่างละบุคคลเอาน้ําดับไฟถ้าไฟกองใหญ่แล้วเอาน้ํำ น, น้อยๆดับมันก็ไม่มีทางดับได้เลยอถ้าหาน้ำมามากๆแล้วฉีดใส่เทใส่เอาจนานะาน้ำมากแล้วน้ํานั้นมันมากก่อไฟแล้วไฟก็อยู่ไม่ได้ก็ดับเอา่าเป็นอย่างนั้น อันนี้ฉันข้อนี้ฉันใดก็อย่างนั้นแหละอันไฟนั้นอุปมามันยังกิเลสอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในอริตตะปริยายาสูตรนะนะราคกินาไฟคือราคะความกาหนัดทโสคกินาไฟคือความโกรธความคิดเบียดเบียนล่างผ่านผู้อื่นสัตว์อื่นนะโมหกินาไฟคือความหลง หลงในดำพาชีวิตดำเนินไปผิดทางแล้วก็ได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนเนี่ยกีเลสสามกองนี่พระศารรสดาทรงสแสดงว่าเป็นเหมือนไฟธรรมดาไฟนี่น่ะเป็นของร้อนอยู่โด ย, โดยธรรมชาติแต่เมื่อผู้ใดไม่เอามือไปจับไม่ไปเหยียบมันมันก็ไม่ไหม้ถ้าไปเหยียบมันหรือเอามือไปจับเข้ามันก็ไหม มันก็เปื่อยผุพังไปอันนี้ฉั้นใดก็เหมือนกันอย่างนั้นแหละบาปกรรมความชั่วทั้งหลายหรือกิเลสทั้งหลายดังกล่าวมานี่นนะหากว่าจิตไปสร้างมันขึ้นมาไม่พอพอใจในราคะความกำนหนยินดีฝึกจิตให้ส ง, งบเป็นกลางอยู่ได้อย่างนี้นะราคะมันก็ครอบความจิตใจไม่ได้เลย เพราะว่าจิตไม่สร้างมันขึ้นมาโทสะมันก็ครอบงามไม่ได้เพราะไม่พอใจกับมันไม่ชอบมันไม่ส่งเสริมมันมันก็ไม่เกิดขึ้นเอา้าส่งเสริมทำยังไงวะเอา้าทำยังไงสมมุตินะว่าคนนี้แสดงกิริยากายวาใจกระทบกระทั่งตนไม่ให้พออกพอใจอย่างนี้นะตนก็ไม่โกรธไม่เกลียดเา้า อดทนได้ให้อภัยเขาไว้เขามองเห็นแล้วว่าถ้าโกรธตอบมันก็เป็นทุกข์ทั้งสองฝ่ายไม่มีดีอะไรอะไรอย่างนี้นะก็เมื่อพิจารณาเห็นอย่างนี้แนละ้วมันก็ไม่โกรธแล้วให้อภัยไปธรรมดาตบมือข้างเดียวมันไม่ดังมีแต่พูดเดียวพูดวความชั่วอยู่ล่ำไปถ้าอีกฝ่ายหนึ่งไม่โต้อตอบแล้วมันก็ไม่นานก็สงบไป เท่านั้นเองแล้วความชั่วมันก็เป็นของผู้สร้างขึ้นผู้ทำขึ้นนั้นผู้ถูกกระทบกระทั่งนี้ไม่ยึดถือเอาแล้วมันก็ไม่มีอยู่ในผู้นี้มันก็ดับไปเท่านั้นเองนะ อ, อันนี้แหละขอให้พากันเข้าใจวิธีลากกิเลสนะก็ต้องเห็นโทษของกิเลสเสียก่อนอย่างนั้น ดังนั้นอย่าพากันนิ่งนอนใจเห็นแก่หลับแกนอนไม่ถึงเวลานอนก็ไม่ควรจะนอนถึงเวลาตื่นควรจะตื่นขึ้นทำความเพียรเพ่งพินิจพิจารณา ใ, ร า, ราให้เห็นโทษของราคะโทสะโมหะหรือว่าเห็นโทษแห่งความโลภความโกรธความหลงเหล่านี้ เมื่อมันเห็นโทษว่ามันไม่ดีนั่นแหละมันถึงพอใจที่จะละเวน้นมันจึงจะไม่สะสมกิเลสเหล่านี้ไว้ในใจถ้ามันยังพอใจอยู่แล้วมันไม่ยอมละเป็นเด็ดขาดเลยให้พึ่งพากันพิจารณาดูให้ดีไอ้ที่เราท่องเที่ยวเคยแก่เจ็บตายมาในสงสารนี่นะ ก็เพราะจิตใจมาตกเป็นทาสของกิเลสเหล่านี้แหละกิเลสเหล่านี้เป็นเหตุให้ทําบาปทํากรรมมีฆ่าสัตว์เป็นต้นมีดื่มสุราเมลัยเป็นที่สุดอันดับกิเลสเหล่านี้ก็เป็นเหตุให้ล่วงศิศข่าบทวิไนสําหรับนักบวชอให้ร่วงศิศข่าบทวิไนน้อยใหญ่มันเป็นอย่างนั้น สเหตุที่มันจะเป็นทุกข์ไอพี่น้าให้มันเห็นถ้าหากว่ากิเลสเหล่านี้ไม่สามารถจะนําดวงจิตอันนี้ไปตกนรกหมกเว้ไปเป็นเปรต เ, เป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานแล้ยวไส้พระศาสดาจะไม่สอนให้คนละกิเลสเหล่านี้เลยอืมขอให้เข้าใจอย่างนี้ อันพระองค์จะได้เป็นพระพุทรงเจ้านั้นนะพระองค์สร้างบุญบา ร, รมีมาก็เพื่อให้บุญบา ร, รมีเหล่านี้แหละกําจัดกิเลสเหล่านี้ออกจากพระไทยของพระองค์ถ้าหากว่าพระองค์ไม่ได้สั่งสมบุญบา ร, รมีสิบประการนั้นมาให้เต็มบริบูรณ์แล้วพระองค์ก็ไม่มีกําลังใจที่จะมาละกิเลสให้ขาดจาก พระคันาสันดานได้เลยเนี่ยพี่นามันเห็นอันนี้ก็เราก็รู้รู้กันอยู่ไม่ใช่เหรอผู้ที่ได้ยินได้ฟังหรือได้ดูตำหรับตำลาในคืนเดือนหกแผ่นพระจันทร์เต็มดวงนั่นนะพระศาสดาประทับนั่งบนแท่นบันลังแล้วด้วยแก้วเจ็ดประการซึ่งเกิดจาก โบุญญาบา ร, รมีที่พระองค์ได้สั่งสมอบรมมาแต่ชาติก่อนทรงอธิษฐานให้ยาขาแปดกรมือที่ได้มาจากพลามนั่นนะบางเกิดเป็นแท่นบรรลังแล้วด้วยแก้วเจ็ดประการเมื่อพระองค์ประทับนั่งสมาธิเข้าไปหวังว่าจะโน้มใจลงสู่ความสงบดำเนินต่อไป พยามานและเสนามานก็ยกพวกมาขับไล่พระองค์ให้เสด็จหนีออกจากาแท่นบัลังนั้นแต่ถ้าว่าเป็นปุกราธิฐานแล้วชั้นมา น, นี่มันชั้นอยู่ชั้นประระนิมิตสาวสวดีนู่นเป็นชั้นที่หกนู่ น, นไม่ใช่ว่าตำตำนะมานในเทวดาเทวุตเทวดาเป็นมานก็มี อย่างั้นอา้าวเป็นได้ยังไงทำบาปเหรเพื่อนทำบาปก็จริงแต่ว่าเพื่อนทำบุญด้วยนี่นั่นแหละบาปก็บาปไม่มากไม่ถึงกับได้ไปสูน่นรกอ่บาปกรรมวันนั้นนำให้ไปเกิดเป็นบุญนำไปเกิดเป็นเทพ บ, บุตรเทวดาแล้วก็ให้บาปกรรมนนั้นปันดาลให้มีจิตใจชอบอิสาได้สิ่ญาผู้อื่น เห็นเพื่อนทำดีแล้วก็ไม่ชอบอย่างว่าพระพุทธเจ้านะพระองค์สร้างบา ร, รมีมาจนเต็มหวังว่าจะให้พระไทยของพระองค์หวั่นไหวสะดุ้งหวาดกลัวต่ออำนาจของมานนั้นคราวนี้พระองค์ก็ได้ทรงระลึกถึงพระบา ร, รมีธรรมที่พระองค์ได้สั่งสมอบรมมาแต่อเนกชาติ หากวีจริงแล้วก็ขอให้มาเป็นสักขีพยานของข้าพเจ้าว่าแท่นบันลังนี่เกิดด้วยบุญญาบา ร, รมีของข้าพเจ้าเองเพราะมันมั น, ม, นมันอ้างว่ามันเกิดด้วยบุญบา ร, รมีของมานเองเขาสร้างขึ้นมาอย่างนี้มนนะันเนี่ยแล้วก็มานก็ถามพระองค์ว่า ถ้าเป็นสมบัติของท่านท่านสร้างมาแต่เมื่อใดใครเป็นสักขีพยานท่านจงอ้างมาอย่างนี้นะพระองค์ก็นึกในพระทยัยว่าในที่นี้ญาติพี่น้องพ่อแม่อะไรก็ไม่มีแล้วก็มีแต่บุญบรารมีที่เราสั่งสมอบรมมาแต่ในเอกชาติเทานั้นจักมาเป็นสักขีพยาน ของเราด้วยอย่างนี้นะบัดนี้เมื่อพระ อ, องค์ได้ทรงดำริอย่างนั้นแล้วก็ทรงพูดแก่พยามารว่าก็ถ้าหากว่าแท่นบันลังนี้เป็นสมบัติของพวกท่านพวกท่านสร้างมาแต่เมื่อไรใครเป็นสกีพยาน ตอนนี้พยามารก็ชี้เอาบริษัทบริวารของโตนันี่คนเหล่านี้และเป็นสักขีพยานของข้าพเจ้าอืบริวารของพยามารก็ยอมรับรู้ว่าจริงแท่นบันลังนี่ราชาของเราได้สร้างขึ้นมาก็ว่าอย่างนั้นและบัดนี้พระองค์ก็จึงได้ทรงอธิษฐานถึงบุญบา ร, รมีของพระองค์ หากมีจริงแล้วก็ขอให้มาเป็นสักขีพย า, ยานของข้าพเจ้าในบัดนี้ก็จึงเป็นเหมือนแม่เป็นผู้หญิงโผล่ขึ้นมาจากพื้นดินมีผมยาวท่านเรียกว่าแม่นางโทรณีแล้วยืนแล้วทำกองกรพบต่อพระสตรดาแล้วก็กราบทูนว่าข้าพระองค์นี้แหละต่ขอเป็นสักขีพย า, ยาน ต่อพระองค์ขอเป็นสักขีพยานให้พระองค์ว่าพระองค์ได้สร้างบุญบรารมีได้ทำบุญให้ทานรักษาสินภาวนามานับชาติไม่ถ้วนเลยในวัฏฏะสงสารนี่แล้วได้หลังหล่อน้าทักกิโนโทกลงในพื้นแผ่นดินนี่มากกว่าน้ำในมหาสมุทรทะเล ดังข้าพราะองค์จะแสดงให้เห็นในบัดนี้ทันแล้วแม่นางทรณีก็บิดมวยผมน้ำก็หลั่งไหลออกจากมวยผมนางทรณีมากมายกายกองท่วมท้นพยามานและเสนามานพัดเอาพวกพยามานและเสนามานให้ตกไปขอบจักรวาล น, นูน้น ตกลงว่าพญามารกับเสนามานก็พ่ายแพ้ต่อพระบารมีของพระองค์ต่อจากนั้นพระองค์จึงได้รับความสงบระงับทั้งภายนอกและภายในจึงได้น้อมใจเจริญอาราปาณสติตั้งสติกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกจิตก็รวมลงไป นี่บอทั้งห้าระ ง, งับดับไปเลยตันนี้นะเนี้ยที่ได้บรรลุถึงอรูปฌานสี่อรูปฌานสี่ได้ในตอนปฐมยามหัวค่ำนั้นเมื่อพระองค์ได้บรรลุฌานสมาบัติแปดแล้วก็ทรงเจริญวิปัสนาปัญญาก็ได้ตัดสรู้ปุปเพสนิวาสานุสติญาณ คือระลึกชาติหนหลังได้นับตั้งแต่ชาติเป็นพระสิตทัศนะนี่ไปถอยหลังคืนไปถอยคืนไปโดยลำดับทรงรู้ไปตลอดถึงพันชาติหมื่นชาติแสนชาติล้านชาติโกรธชาติอสงไขาชาติหลาอาสงไข ปารธนาต้องการอยากจะรู้เท่าไหรเพระองค์รู้ไปหมดเลยอืมเพราะว่าพราะองค์ได้เที่ยวเกิดเที่ยวตายสร้างบารมีมาในสงสารนี่ขนาด น, นับชาติไม่ทวนเลยเป็นอย่างนั้นแต่แล้วพระองค์ก็ทรงนําเรื่องราวของพระองค์แต่ที่ทรงพิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ฟังจะเป็น เครื่องสนับสนุนข้อปฏิบัติเท่านั้นมาแสดงเรื่องเราในอดีตของพระ อ, องค์ถ้าเรื่องใดไม่ค่อยเป็นประโยชน์เท่าไหร่ที่พระ อ, องค์ทรงรู้ไปนะ่พระ อ, องค์ก็ไม่นำมาแสดงเพราะไม่เป็นเครื่องสนับสนุนข้อปฏิบัติให้เข้าใจอย่างนี้แหละ ที่พระ อ, องค์ทรงแสดงอดีตชาติของพระ อ, องค์มาให้พุทธบริษัททั้งหลายฟังนั่นนะก็เพื่อที่จะให้พุทธบริษัทได้รู้ว่าตัวของเราเองนี่ก็มีกิเลสเช่นเดียวกับพระโพธิสัตว์เป็นผู้มีบุญญาบารมีอย่างน้อยเหตุนันจึงละอาศวะกิเลสไม่ได้ จำเป็นเราจะต้องสร้างบุญบา ร, รมีเหมือนอย่างเทพพระโพธิสัตว์ได้สร้างมาได้สร้างบุญกุศลบา ร, รมีให้เป็นกำลังใจอันยิ่งใหญ่ใจหนักแน่นด้วยบุญญาบา ร, รมีแล้วก็ไม่หวั่นไหวต่ออำนาจของกิเลสก็เอาชนะกิเลสได้เหมือนอย่างพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นแหละก็พระองค์ อาศัยบุญญาบารมีนั่นแหละเป็นกำลังพระไทยถ้าว่าโดยประมัิแล้วก็หมายความว่าราคะโทสะโมหะนี่แหละเป็นมารอันพยา ม, มารแท้ก็คือตัวราคะนี่เองนะ เป็นพยามาณเพราะฉะนั้นในกิเลสสามกองนี้พระพุทธเจ้าจึงทรงยกราคะไว้เป็นเบื้องต้นเลยทีเดียวงั้นแหละหากว่าละราคะตัวนี้ให้บอบางไปเท่าไร่แล้วโทสะ ก, ก็เบาไปโมหะก็เบาไปมันเป็นอย่างนั้นดังนั้นน่ะทุกคนขอให้พากันพยายาม ละราคะนี่แหละให้มันเบาบางไปให้ได้ไม่ว่าคฤหัสไม่ว่านักบวชคฤหัสถจะไปอ้างว่าทนครองเลือนถ้าไปละราคะเสร็จแล้วก็หาความสนุกสนานไม่ได้ไอ้อย่างนี้ไม่ถูกต้องนะเป็นนักบวชก็ดีลูกบวดนี่ไม่ได้แล้วถ้าไปสะสมราคะ ให้มากขึ้นในจิตใจแล้วก็ไม่มีความสุขเลยแม้แต่น้อยเพราะเข้าํำนองว่าร้อนไม่ได้อาบอยากไม่ได้กินยิ่งเดือดร้อนใหญ่เปียงงานเรืองมา น, นะสำหรับครือหัสนั้นนะ่ะบรรเทาคะความกำหนัดยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสอันมันผิดศีลผิดธรรมลงไป นี่นะคุถาัร ญ, ญัตกาเมสมิชฌาจา์ข้อที่สามนั้นแหละถ้าบุคคลไม่ละราคา่าเนให้เบาบางลงมันก็ไปล่วงสินข้อนั้นก็ทำบาสั่งสมบาปกรรมใส่ตัวเองผู้ใดรุกอำนาจแก่ราคะอย่างรุนแรงมันเป็นอย่างนั้นแหละแล้วยัง โดนบันดาลให้ทำความชั่วอื่นๆได้ราคะความกำหนัดไม่ใช่กำหนัดตั้งแต่ผัวกับเมียเท่านั้นเนี่ยมันกำหนัดในแก้วในเว้นเงินทองเข้าของกำหนัดในลาบในยศเกินขอบเขตเป็นเหตุให้ธรรมมาค้าขายไปในทางทุจริตผิดกฎหมายผิดศิลนผิดธรรมอะไรโมนี้นะ เป็นเหตุให้ทําบาปกรรมใส่ตัวเองนี่พูดถึงราคะมันเป็นงานนี้ลองพี่นาดูให้ดีถ้าหากว่าวันเทาราคะตัวนี้ลงได้แล้วมันก็รู้จักประมาณเนี่ยดำเนินทางสายกลางที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้นั่นเเอา้าถ้าทนยังระความกำหนัดไม่ได้ ก็ให้กำนัดอยู่ในกรอบแห่งศีลแห่งธรรมอย่าล่วงเอศีลที่พระพุทธเจ้าวันยันห้ามไว้อย่าล่วง ท, วญญทำงรรมะเส้นอัคติสี่ประการอย่างนี้นะล้ำเอียงเพราะความรักให้กันแล้วทำชั่วล้ำเอียงเพราะโกรธกันแล้วเบียดเบียนกันล้ำเอียงเพราะหลง ไม่ศึกษาเราเรียนไม่ฟังคําสอนพระพุทธเจ้าไม่รู้ไม่ฉลาดคนหลงมันเป็นยังไงลาเอียงเพราะกลัว อ, อกลัวอะไรการทําความชั่วบางอย่างมันมีอํานาจเหนือตนนนั้นบังคับให้ทําอย่างงี้นะถ้าตนมั่นในศีลจริงๆกลัวบาปกลัวกรรมแล้วไม่ทําเลยถ้าเป็นบาปเป็นกรรมเป็นโทษนะไม่เอา ทำราชการงานเมืองถ้าผู้บังคับบัญชาสั่งการแล้วไม่ทำเขาจะไล่ออกก็ออกเสียหางานอื่นทำงานที่ไม่ต้องทำบาปนั้นอย่างนี้นะถ้าผู้มันน่นในศีลในธรรมจริงๆนะดังนั้นแหละอย่าพาการข้ามกลาย ละเลยคำว่าราค่าความกำหนัดยินดีนี่นะมันมีโทษมากจริงๆนะมไม่ใช่ว่ามันมีโทษน้อยอะ่ะถ้าจะพาร น, นาถึงโทษแห่งความกำหนัดยินดีแล้วมากมายอะ่ะไม่หมดไม่ิ้นง่ายๆดังนั้นนะ่ะคอยพากัน ทิจารณาดูดังที่เหตุผลดังที่ยกให้ฟังมาเนี่ยก็พอที่จะเห็นได้ว่าราคะนี่มีโทษมากมเมื่อราคะมีแล้วหากว่าแสวงหาสิ่งที่ตนกําหนดยินดีลงไปอย่างไง้มีใครมาขวางมาถัดขวางก็ไปเอาแล้วก็โทสะก็ขึ้นแล้วก็เป็นเหตุให้ประหัดประหารผู้อื่นไปเป็นกรรมเป็นเวรไป ลองคิดดูมันเป็นอย่างนี้แหละโทษของราคะนะแล้วก็โมหะมันก็ทำให้หลงไม่ไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษไม่กลัวต่อบาปต่อกรรมที่ตนทาจะนําสนองให้เป็นทุกข์ไปในโลกนี้โลกหน้าอย่างนี้นะไม่กลัวเลยถ้ามันหลงแล้วนะมันหลงมันเมาแล้วมันเป็นงั้น ถ้าบุคคลมาภาวนาเพจนาตั้งสติสำมรวมใจเพ่งใจให้สงบลงด้วยอานาปานสติคือเพ่งลมหายใจเข้าหายใจออกเป็นอารมณ์มีสติมีขันติความอดทนอดกั้นไม่ให้จิตคิดฟุ้งซ่านไปภายนอกให้รู้อยู่ในปัจจุบัน แม้จะทุกข์จะยากลำบากก็อดกั้นทนทานมันต้องยากแหละจิตนี่เคยสะสมกิเลสมาแล้วแล้วจะพยายามละมันมันก็ย่อมเล่นงานแหละมันย่อมขาดคว้างอา้าเราก็อาศัยบุญบา ร, รมีที่ทามาอธิษฐานถึงบุญบา ร, รมีอย่างพระพุทธเจ้านั่นแหละเมื่อบุญบา ร, รมีบางเกิดขึ้นในจิตแล้วจิตก็เข้มแข็ง ก็ต้านทานต่ออำนาจของกิเลสนั่นได้เช่นราคะความกำหนัดยินดีมันจะไปให้ประพฤติผิดในกามอันผู้ครองเรือนก็ไม่ไปไม่เอาอตายเป็นตายไม่เอาแล้ว ม, มันเป็นบาปเป็นกรรมถ้าเป็นนักบวชเช่นนี้มันก็จะไปล่วงที่ขาบทอันร้ายแรงก็ไม่ยอมล่วง ทรมานตนอดนอนผ่อนอาหารเข้าไปไม่กลัวตายถ้าหากว่าตายด้วยความเพียรอย่างนี้ทำให้ราคะตัณหาบาบางลงไปในี่ดีมากมันจะได้พ้นทุกไปเป็นขั้นๆั้นถ้าหากว่าไปรู้อำนาจแก่ราคะตัณหาแล้วไปล่วงคลิกขาบทวิใน อันร้ายแรงเข้าไปแล้วก็นั่นแหละบาปกรรมนันตามสนองให้เป็นทุกข์ไปตกนรกหมกไหมทนทุกข์ทรมานอยู่นานแสนนานนี่เราต้องเชื่อพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าวัน ญ, ญัดว่าเป็นโทษและต้องเป็นแน่นอนนะเราจะไปปฏิเสธว่าไม่เป็นไม่ได้เลยยังเป็นอย่างนั้น ต้องตั้งหิริโอตตะปะทำขึ้นในใจไว้เสมอความชั่วนั้นเป็นสิ่งที่น่าระกอายจริงๆนะพิจารณาดูสิเป็นนักบวดแล้วไปแสดงมายาซาไท ย, ยินดีในรูปเสียงกลิ่นลดเครื่องสัมผัสแสดงออกทางกายทางวาจาออกไปอย่างนี้นะมันเป็นสิ่งน่าระอายไม่ใช่หรือเป็นนักบวดแล้วะ ถ้านักบวชตนใดนะไม่ไ ม, ไม่มีความละอายอย่างว่าในเราไม่ใช่ไม่ใช่นักบวชแล้วเป็นเป็นแต่ในานามเท่านั้นแะเป็นแต่ชื่อไม่ได้เป็นนักบวชโดยคุณธรรมเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นนะขอให้พากันพิจารณาให้ดีบุญกุศลสรงให้เรามาเกิด เป็นมนุษย์ในโลกนี้มาพบพุทธศาสนาด้วยแล้วบุญกุศลยังส่งให้เรายินดีสระบ้านเรือนออกมาบวชเรียกว่าบุญมันสูงมันมากพอสมควรทีเดียวมันจึงยินดีในการบวชเห็นผู้อื่นบวชแล้วอย่างนี้ก็ชอบใจเห็นผู้อื่นปฏิบัติมากน้อยสันโดษอย่างนั้นเราก็เต็มใจที่จะทำตามได้ นี่แสดงว่าบุญกุศลโน้นหลังนี่ะมานุส่งให้เข้าใจถ้าหากว่าบุญไม่มากสมควรแต่ชาติก่อนแล้วไม่มีทางหรอกมันจะไปยินดีในการเป็นนักบวชนี่นะเพราะว่าคนเราถ้าบุญน้อยแล้วกิเลสมันก็หลายเมื่อกิเลสหลแล้วมันจะมาปฏิบัติตามธรรมตามวินัยที่พระเจ้าทรงแต่งตั้งบัญญัติไว้นั้นไม่ได้เลย เพราะมันฝืนความรู้สึกทางจิตใจมากมันฝืนอํานาจของกิเลสมันเป็นเครื่องกำจัดกิเลสดังนั้นเมื่อกิเลสมันมีอิทธิพลมากๆแล้วมันก็บังคับจิตใจไว้ไม่ให้ยินดีปฏิบัติตามธรรมวินัยนั้นอมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมานะดังนั้นแล้ว เป็นนักบวชต้องทรมานตนนาอย่าไปเห็นแก่ปากแก่ท้องฉันอาหารก็ฉันมากมากเอาซะจนมากเกินควรแล้วไปนั่งสมาธิภาวนาอาหารมันก็ทับพาดมีแต่ง่วงแต่เงานั่งภาวนามันก็ไม่ได้เรื่องอะไรเลยจิตใจก็ไม่สงบปัญญาก็ไม่เกิดกิเลสไม่เบาบางเลย นี่เราต้องรู้จักประมาณตนนะ่ะเราฉันพัตนาอาหารขนาดไหนแล้วร่างกายนี่ก็พอเป็นอยู่ได้แล้วการทำความเพียรทาสมาธิภาวนาความงวงก็ไม่ครอบงำจิตใจมากมีก็มีนิดน่ดหน่อยๆกำจัดเสียแล้วมันก็ระงับไปอย่างนี้นะเราก็บริฉันครบชันอาหารแต่พอประมาณดังนั้น ฮะเป็นอย่างนั้นเรื่องมานะ่ะแม้เป็นครือข่าก็เหมือนกันนะไม่ใช่ว่าจะปฏิบัติแต่นักบวชเท่านี้อันรู้จักประมาณในการบริโภคอาหารรู้จักประมาณในการหลับการนอนหมู่นี้นี่มันเป็นคุณธรรมที่ทุกคนจะพึงปฏิบัติตามสําหรับผู้เห็นทุกข์เห็นภัยในสงสารแล้วไม่ว่าเพศไหนแหละอ่า อย่างผู้ครองเรือนอย่างนี้นะถ้าจะไปชื่นชมยินดีแต่ในราคะตัณหาการบริโภคกามคุณเท่านั้นมันก็ไม่ได้ปฏิบัติธรรมเลย อ, อย่างนี้แล้วบุคคลผู้สะสมกิเลสตัณหายมากๆเข้าไปมันก็ไปทำบาปอย่างที่ว่านั้นแหละไม่พ้นจากการทำบาปกิเลสเนี่มันหนาเขาแล้วนะ นี่ถ้าว่าผู้ใดมารู้อย่างนี้แล้วก็รู้จักคมจิตของตนอย่าให้ราคะตัณหานี่มันครอบงำจิตใจมากเกินประมาณจนให้ไปล่วงศิลป์อย่างที่ว่ามานั่นเนี่ยแล้วก็จนให้ปฏิบัติศีลธรรมไม่ได้เข้าวัดเข้าวาไม่ได้เลยเพราะว่า ราคะตัวนี้มันมีกิ่งก้านสาขาแผ่ออกไปออนอกจากครมกำลังยินดีในผัวนาเมียแล้วก็กำหนัดในมรรสพบางานในการละเล่นต่งางๆ น, นานาดังที่กล่าวมาแล้วแต่เบื้องต้นนั่นแหละอันนี้ทบทวนอีกอมันเป็นยางไงเพราะฉะนั้นการพิจารณาเพียงแต่โทษของราคะอย่างเดียวนี่นะ แม้มันกว่วงขวางพิศสดา ا จริงๆนะแล้วพี่นาแล้วพระบุรีพี่นาอย่างนี้จะเห็นโทษของมันเห็นโทษของราคะตัณหานี่อย่างรุนแรงเลยทีเดียวถ้าเป็นกระเราะหัดก็จะไม่ประพติผิดมิจฉาจารกรรมไปทำชู้จากหัวจากเมียของตัวเอง จะเป็นผู้ยินดีอยู่แต่ในผูเมียของตนเองโดยเฉพา ะ, ะแล้วก็จะไม่เพิดเพลินในการมคุณภายรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสภา ย, ภายนอกดังกล่าวมาแล้วนั้นจะพอรู้จักพอประมาณมีสติยับยั้งชั่งใจการดูมหัศพดูมหัศพครบงันก็เลือกดูอเอาแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ ไม่ดูเอาหามรุ่งหามค่ำจนเสียการเสียงานอะไรอย่างนี้นะแล้วก็ไม่ไปเที่ยวเต่กลางค่ำกลางคืนเกินไปสำหรับไม่ว่าหญิงไม่ว่าชายพระพุทธเจ้าก็ ส, สอนไว้แล้วในกีปฏิบัตินะการชอบเที่ยวกลางคืนมากๆไงมันก็ีเป็นที่ระแวงของคนทั้งหลายเลย ว่าเจ้านี้มันจะเป็นโจรเป็นขโมยหรือไงโนอย่างนี้นะคนทั้งหลายไม่ไว้ใจเลยนั่นเลยเราได้ชื่อว่าไม่รักษาทรัพย์สมบัติชื่อว่าไม่ได้รักษาลูกเมียนั่นแหละ <c oughs> ได้ชื่อว่าเป็นผู้ไม่รักษาตัวเองด้วยดังนั้นผู้ครองเรือนทั้งหลายไม่ควรที่จะไปชอบเที่ยวกลางคืนดึกดื่น เว้นเสียแต่มีกิจจำเป็นบางสิ่งบางอย่างก็จริงค่อยไปอย่างนั้นการที่ไปเที่ยวเข้าในคลับดูมรสพบกันไปเที่ยวอะไรต่ออะไรที่เกี่ยวกับราคะตัณหาแล้วอย่างนี้นะไม่ควรเลยมันมีแต่โทษนะทำให้เกิดเป็นโรคในกาย เข้าไปอีกด้วยแล้วทำให้ทรัพย์สินเงินทองสูญหายไปโดยไม่มีประโยชน์อะไรบุคคลผู้รู้อำนาจแก่ราคะตัญหามันมีโทษมากมายกายกองอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นอย่าไปปักความตัวเองว่าตนปฏิบัติไม่ได้หรอกถ้าไปละราคตัญหานี่แล้วมันก็หาความสุขสนุกสนานไม่ได้ไปเห็นอย่างนี้ ได้ชื่อว่าเป็นผู้ตีตนตายก่อนใครมันเป็นอย่างงั้นตนไม่ทันได้ละไม่ทันได้เพียนไม่ยามละก็ท้อใจแล้วว่าละไม่ได้ดันแสดงว่าจิตใจมันชอบกับราคะตัณหามากก็กรุณาได้พิจารณาดูดังที่แนะนำมาได้รู้พินาดูโทษของราคะตัณหา เมื่อผูใ้ใดมีปัญญาพิจารณาแล้วจะได้เห็นโทษของมันแล้วก็จะได้บรรเท า, าคะตัญหานั่นลงนี่จะไม่ได้กระพฤติผิดศีลผิดธรรมไม่ล่วงศีลห้าข้อนั้นเลยถ้าเป็นเคร่อหัดขอ้อดีเป็นนักปวดก็จะไม่ล่วงศีลของที่ของตนเองที่ได้สมทานมาแล้วเมื่อมีศีลบริสุทธิ์แล้ว การบาเพ็ญสมาธิมันก็สงบลงได้ให้เข้าใจนะถ้าศีลไม่บริสุทธิ์แล้วทำสมาธิสงบไม่ได้เลยเป็นอย่างนั้นเพราะคำว่าล่วงศีลก็คือทาบาปเมื่อสร้างบาปขึ้นในใจบาปมันก็สกัดกั้นไม่ให้จิตใจสงบลงได้เพราะถ้าใจสงบลงแล้วมันจะมีอานาจกาจัดกิเลตนั้นออกไป กิเลสมันก็ไม่อยากหนีจากกิตใจอ่ะอืนเปอย่างั้นเรื่องมาน่ะเมื่อสมาธิไม่มีไม่เป็นไปแล้วปัญญาก็ไม่มีก็เอาตัวรอดจากทุกข์ไม่ได้มันเป็นอย่างนั้นเอโอเ ป, ออปร่งวางสันหน้าไี้ลงไม่ได้ถ้าไม่มีปัญญาสอนจิตแล้วดังนั้นนะขอให้พากันตั้งอกตั้งใจตั้งอยู่ในอัปภิ ธ, ธรรมคือความไม่ประมาท ทั้งคริหัดทั้งนักบวดนี่ทุกคนก็เกลียดต่อความทุกข์ต้องการความสุขเหมือนกันทั้งหมดความสุขมันอยู่ที่ความสงบจิตจากกิเลสตัณหาดังกล่าวมาแล้วนั้นความสุขที่แท้จริงนะความสุขชั่วคราวนะมันสุขเกิดจากมีลาบมียศมีสันเิษฐินเยินยอมีทรัพย์สมบัติมากอะไรต่างๆหมนั้นแหละ อันนั้นเป็นสุขชั่วคราวก็ตัวตายแล้วความสุขนั้นก็หายไปหมดบางทีตัวยังไม่ตายความสุขเหล่านั้นหายไปก่อนทรัพสมบัติลาบยศเสื่อมศูนไปแล้วก็ความสุขนั้นก็หายไปคิดดูให้มันเห็นดังนั้นการีมาทําใจให้สงบระงับจากกิเลสนี่ได้ชื่อว่าเป็นบุญกุศลอย่างยิ่งใหญ่ไพศาลทําให้ตนมีความสุขสบาย อบรมจิตให้เกิดความรู้ความฉลาดรู้เท่าสังขาร น, นามรูปตามเป็นจริงไม่ถือมั่นด้วยอุปาทานเสนมีความสุขความสบายมากดังแสดงมา